ผู้ศรีเทพอับสร น, นั้นจุติจากดาวดึงเทวโลกนั้นมาบังเกิดในสกุลกษัตริย์ได้ทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าสัญชัยในนครเชตุดอพระนางผู้ศรีทรงคันท้วนทศมาศเมื่อทรงทาประทักษินพระนครประสูตรเราที่ท่ามกลางถนนของพวกพ่อค้าชื่อของเราไม่ได้เกิดเนื่องแต่พระมาณดา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 เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานอันเป็นความจริงหาไทยก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้นแผ่นดินซึ่งมีเขาสีนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็หวั่นไหวพรามทั้งหลายผู้มีขนรักแร้ ด, ดกมีเล็บยาวมีขนยาวและมีฟันเคอะมีที่มีมบนศีสษะเย็ดแขนข้างขวาจะขออะไรเราหรือ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 ซึ่งเป็นช้างราชพหานะสูงสุดที่พรามทั้งหลายขอเราเราไม่ได้วันไหวพระราชาผู้พดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญมีพระหรุไทยน้อมไปในการบริจาคเสด็จลงจากคอช้างได้พระราชทานทานแก่พรามทั้งหลายพระศาสดาตรัสว่าเมื่อพระบรมมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสรศิฐ แกพรานทั้งแปดคนแล้วในการนั้นได้เกิดมีความเน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าเมธนีดนก็หวั่นไหวเมื่อพระบรมมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐในการนั้นได้เกิดมีความเน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวชาวนโคนก็กำเริบเมื่อพระเวสสันดรผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญ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 ครั้งนั้นเมื่อประเวสสันดรผู้พดุงเว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วเสียงอื้ออึงน่ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนครนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกคนที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรพวกพ่อค้าชาวนาพวกพราหมณ์กองช้างกองมา้ากองรถ กองราบชาวนิคมชาวสีพีทั้งสิ้นมาประชุมพร้อมกันพวกเหล่านั้นเห็นพวกพรามนาพญาช้างไปก็กราบทูลแด่พระเจ้าสันชัยว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเงื่อนแคว้นของพระองค์ถูกกาจัดแล้วเหตุไรพระเวสสันดรโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างตัวประเสริฐของชาวเราทั้งหลาย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 น้ำผ้านุ่งผ้าห่มและที่นั่งที่นอนสิ่งของเช่นนี้แหลสมควรจะพระราชทานสมควรแก่พวกรามข้าแต่พระเจ้าสัรชัยฉะไหนพระเวสสันดรราชโอรสผู้เป็นพระราชาโดยสืบพระวง์ของพระองค์ผู้ประดุงเว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญจึงทรงแจกจ่ายพยาคคชสารไป ถ้าพระองค์จะไม่ทรงทาตามถ้อยคำของชนชาวสีผีชนชาวสีผีก็เห็นจากธรรมพระองค์พร้อมด้วยพระราชโอรสไว้ในเงื้อมมือพระเจ้าสัรชัยทรงมีพระดำรัสว่าถึงชนบทจะไม่มีและแม้แว่นแคว้นจงพินาศไปก็ตามเถิดเราก็ไม่พึงขับไล่พระราชบุตรผู้ไม่มีโทษ จากแว่นแคว้นของตนตามคำของชาวสีภีเพราะพระราชบุตรเกิดจากอุระของเราถึงชนบทจะไม่มีและแม้แว่นแคว้นจงพินาฏไปก็ตามเถิดเราก็ไม่พึงขับไล่พระราชบุตรผู้ไม่มีโทษจากแว่นแคว้นของตนตามคำของชาวสีภีเพราะพระราชบุตรเกิดแต่ตัวเรา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 ด้วยท่อนไม้หรือสัตราเลยทั้งพระเวสสันดร น, นั้นก็ไม่ควรแก่เครื่องพันธนาการแต่จงทรงขับไล่พระเวสสันดร น, นั้นเสียจากแว่นแคว้นพระเวสสันดรจงไปอยู่ที่เขาวงกดเถิดพระเจ้าสรนชัยตรัสว่าถ้าความพอใจของชาวสีพีเช่นนี้เราก็ไม่ขัด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 พรางคล่ําคลวนกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์ทรงชุบเลี้ยงข้าประบาททรงนํามาซึ่งรถที่น่าใคร่ทุกอย่างข้าประบาทจะกราบทูลความทุกแด่พระองค์เมื่อข้าประบาทกราบทูลข่าวสารเรื่องทุกข์ร้อนนั้นแล้วขอพระยุคลบาทจงยังข้าประบาทให้เบาใจขอเดชะ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 ชาวสีพีจกพักพร้อมกันขับไล่พระองค์จากแว่นแคว้นพระเจ้าค่าพระมหาสัตตร์ตรัสว่าชาวสีพีขัดเคืองเราผู้ไม่เห็นความผิดในเพราะอะไรแน่นักการขอท่านจงบอกความชั่วนั้นแก่เราให้แจ้งชัดเพราะเหตุไรพวกเขาจึงขับไล่เรานักการกราบทูลว่า พวกคนที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรพ่อค้าชาวนาพระมนาจารย์พวกกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าพากันติเตียนเพราะพระราชทานพญาช้างต้นเพราะเหตุนั้นพวกเขาจึงขับไล่พระองค์พระเจ้าค่าพระมหาสัตตรสว่าเราจะพึงให้แม้หทไทยหรือจักสุทรับคือเงิน ทองแก้วมุกดาแก้วไผทูลหรือแก้วมณีเป็นรัพภายนอกของเราจะเป็นอะไรไปเมื่อยาจกมาถึงเราเห็นแล้วพึงให้แขนขวาแขนซ้ายไม่หวั่นไหวเลยใจของเรายินดีในทานชาวสีพีทั้งปวงจงขับไล่จงฆ่าเราเสียหรือจะตัดเราให้เป็นเจ็ดท่อนก็ตามเถิด เราจากไม่งดการให้ทานเลยราชบุรุษกราบทูลว่าชาวศรีพีและชาวนิคมประชุมกันกล่าวอย่างนี้ว่าพระเวสสันดรผู้มีวัดงามจงเสด็จไปสู่อารันชะคิรีทางฝั่งแม่น้ำโกนติมาราตามทางที่พระราชาผู้ถูกขับไล่เสด็จไปนั้นเถิดพระมหาสัตตร์ตรัสว่า เราจะไปตามทางที่พระราชาทั้งหลายผู้ต้องโทษเสด็จไปขอให้ท่านทั้งหลายจงงดโทษแก่เราคืนหนึ่งและวันหนึ่งพอให้เราได้ให้ทานก่อนเถิดพระศาสดาตรัสว่าพระราชาตรัสตักเตือนพระนางมสัสีผู้มีความงามทั่วสารพางว่าทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่พี่ให้แก่พระนองนาง และสิ่งของที่ควรสงวนอันเป็นของพระนองนางคือเงินทองแก้มุกดาหรือแก้วไพฑูนมีอยู่เป็นอันมากและทรัพย์ฝ่ายพระบิดาของพระนองนางควรเก็บไว้ทั้งหมดพระนางมัสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสรรพางได้ทูลถามพระเวสสันดร น, นั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐมั่มชั้นจะเก็บไว้ที่ไหน หม่อมชั้นทูลถามแล้วขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นเถิดพระเวสสันดรตรัสว่าแน่พระนองมสัสีเธอพึงให้ทานในท่านผู้มีศีลตามสมควรเพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงอย่างอื่นยิ่งไปกว่าทานย่อมไม่มีแน่พระนองมัสีเธอพึงเอาใจใส่ในลูกทั้งสอง ในพระชนนีและพระชนกของพี่อ น, นึ่งผู้ใดพึงตกลงปลงใจว่าจะเป็นพระสวามีพระน้องนางเธอพึงบำรุงผู้นั้นโดยเคารพถ้าไม่มีใครมาตกลงปลงใจเป็นพระสวามีพระน้องนางเพราะพระน้องนางกับพี่พลัดพรากจากกันพระน้องนางจงสแสวงหาพระสวามีอื่นเถิด อย่าลำบากเพราะจากพี่เลยเพราะพี่จะไปสู่ป่าที่น่ากลัวอันเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายเมื่อพี่อยู่คนเดียวในป่าใหญ่ชีวิตก็น่าสงสัยพระนางมัศีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสารพา n ได้กราบทูลพระเวสสันดรว่าชะไหนเนาพระองค์จึงตรัสเรื่องที่ไม่เคยมีชไหนจึงตรัสเรื่องร้าย ข้าแต่พระมหาราชข้อที่พระองค์จะพึงเสด็จพระองค์เดียวนั้นไม่ใช่ธรรมเนียมข้าแต่พระมหากษัตริย์แม้หม่อมฉันก็จะตามเสด็จไปตามทางที่พระองค์เสด็จความตายพร้อมพระองค์หรือการมีชีวิตอยู่เว้นจากพระองค์ความตายนั้นนั่นแหละประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่เว้นจากพระองค์จะประเสริฐอะไร ก่อไฟให้ลุกโผลงมีเปลวเป็นอันเดียวกันตั้งอยู่แล้วตายในไฟที่ลุกโผลงมีเปลวเป็นอันเดียวกันนั้นประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่เว้นจากพระองค์จะประเสริฐอะไรช้างพังติดตามช้างพลายตัวประเสริฐอยู่ในป่าเที่ยวไปณภูเขาและที่ลมที่เสมอและไม่เสมอชันใด หม่อมฉันจักพารูปทั้งสองติดตามพระองค์ไปเบื้องหลังฉันนั้นหม่อมฉันจะเป็นผู้อันพระองค์เลี้ยงง่ายจากไม่เป็นผู้อันพระองค์เลี้ยงยากพระนางมัซีกราบทูลว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะพูดจาน่ารักนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าจากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั Ton. ้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะพูดจาน่ารักเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าจากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะพูดจาน่ารักณอาสมอันเป็นที่รื่นรมจากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื ja ่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะผู้จาน่ารักเล่นอยู่ณอาสมอันเป็นที่รื่นรมจากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ทรงมาลาประดับพระองค์ณอาสมอันเป็นที่รื่นรมจากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื ite, ่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ทรงมาลาประดับพระองค์เล่นอยู่ณอาสมอันเป็นที่รื่นรมจากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองทรงมาลาฟ้อนรำอยู่ณอาสมอันเป็นที่รื่นรมเมื่อนั้นพระองค์จากไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองทรงมาลาฟ้อนรำเล่นอยู่ณอาสมอันเป็นที่รื่นรมเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุณชรชาติมาตังคะอายุล่วงหกสิบปีเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวเมื่อนั้น พระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุณชรชาติมาตังคะอายุล่วงห0สิบปีเที่ยวไปในเวลาเย็นในเวลาเช้าเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดกุณชรชาติมาตังคะอายุล่วงหกสิปีเดินนำหน้าขโขลงหมู่ช้างพังไป ทรงเสียงร้องอกึกก้องโกนจนาศพระองค์ได้ทรงสดับเสียงร้องของช้างที่บลือกล้องอยู่นั้นเมื่อนั้นจกไม่ทรงรอลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่ให้ความน่าใคร่ในชัดไพรสองข้างทางในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นมลึกเดินมาเป็นหมู่หมู่หมู่ละห้าตัวและได้ทอดพระเนตรเห็นพวกกินนอนที่กําลังฟ้อนอยู่ในเวลาเย็นก็จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทรงสดับเสียงกึกก้องแห่งแม่น้ำอันมีน้ำไหลหลังและเสียงเพลงขับของพวกกินนอน เมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทรงสดับเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทรงสดับเสียงแห่งสัตว์ร้ายในป่าคือราชสีเสือโครง่งแรดและวัวลาน เมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงรำแผนหางจับอยู่เป็นกลุ่มบนยอดเขาฟ้อนอยู่แวดล้อมไปด้วยนางนกยูงเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีขนปีกงามวิจิต พอมล้อมด้วยนางนกยุงทั้งหลายฟ้อนอยู่เมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึก ถ, ถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีคอเขียวมีงอนแวดล้อมไปด้วยนางนกยูงทั้งหลายฟ้อนอยู่เมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตร เห็นต้นไม้อันมีดอกบานทรงกลิ่นหอมฟุ้งในฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแผ่นดินอันเขียวชะอุ่มดาระดาดไปด้วยมแมลงข่อมทองในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตร เห็นต้นไม้อันมีดอกบานสะพรัง่งคือต้นอัญชันเขียวต้นตำลึงต้นโลดและบัวบกมีดอกบานสะพรัง่งทรงกลิ่นหอมฟุ้งในฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์จักไม่ทรงรอลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้มีดอกบานสะพรัง่งและปทุมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมัน เมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติการหิ ม, มาพานจบ